การไม่อะไรอดีตแล้วก็ไม่กังวลถึงอนาคตนะถือว่าเป็นการอยู่กับปัจจุบันอันนี้เราก็คงจ ะ, ะคุ้นเคยดีนะเวลานี้ควาว่าอยู่กับปัจจุบันหรือว่าอยู่กับปัจจุบันขณะก็เป็นคำที่พวกเราคุ้นเคยกันมากขึ้น แล้วก็แพร่หลายในวงวงการนักปฏิบัติการว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันมีความหมายหลายแง่หลายมุมแง่มุมหนึ่งก็อย่างที่พูดเมื่อกี้นี้หรือก็อย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี้ก็คือว่าไม่ไปหมกมุ่นอยู่กับอดีตหรือความทรงจำที่ผ่านไปแล้วแล้วก็ไม่ไป หมกมุ่นกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอีกแง่หนึ่งที่ได้พูดไปเมื่อวานก็คือว่าการยอมรับสภาพความเป็นจริงปัจจุบันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ปฏิเสธมันไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็จะทุกข์ใจนอกเหนือจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะกับร่างกายหรือความพัดพลาดที่เกิดขึ้นกับสิ่งของหรือคนรักก็เรียกว่าทุกข์สองต่อการอยอรับปัจจุบันก็ทําให้ความทุกข์มันลดเหนือแต่ สิ่งที่เกิดขึ้นนอกตัวเราแต่ว่าไม่กระทบกระเทือนไปถึงใจนะก็ตั้งหน้าตั้งตาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะไม่ต้องไปมัวบน่นไม่ต้องไปมัวตีโพยตีพายเสียเวลากับการบน่นเสียกำลังไปกับการตีโพยตีพายเยอะแล้วนะเราตั้งหน้าตั้งตา เดินหน้าต่อไปดีกว่าอันนี้เลยว่าคือการยอมรับความเป็นจริงไม่ว่าจะเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นหนี้สินไม่ว่าจะอาของหายพัดพาจากคนรักนะอกหักตกงานยอมรับมันก่อนชะตาจากจุดนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเดินหน้าต่อไปอยู่กับปัจจุบันยังหมายความถึงการที่เรา เห็นความจริงตามที่มันเป็นนะอันนี้มีความหมายกว้างมากแต่ว่าถ้าจะพูดอย่างเจาะจงก็คือการที่เวลาเรามีความทุกข์นะก็ให้มองความทุกข์ตามที่มันเป็นถ้าเรามองไม่เป็นนะเราก็จะเป็นทุกข์นะฉันเป็นทุกข์กับฉันมีทุกข์นี้ไม่เหมือนกันนะ ฉันมีทุกข์ก็หมายความว่าทุกข์ก็แค่เป็นส่วนหนึ่งในอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ฉันมีแต่ถ้าฉันเป็นทุกข์นี่ก็คือทุกข์เป็นฉันทุกข์เป็นทั้งหมดของฉันนะมันมีความแตกต่างกันอยู่เมื่อที่ที่แล้วก็ไปพูดกับเครือข่าผู้เป็นโรคมะเร็งที่โคราช ก็บอกกับเขาว่าอย่าไปคิดว่าเราเป็นมะเร็งนะเราไม่ได้เป็นมะเร็งเราเพียงแต่มีมะเร็งอยู่ในตัวมันต่างกันมากเลยนะระหว่างความรู้สึกว่าฉันเป็นมะเร็งกับความรู้สึกหรือเห็นว่าฉันมีมะเร็งอยู่ในตัว ฉันมีมะเร็งในตัวก็หมายความว่ามะเร็งก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในในในตัวฉันฉันยังมีอะไรอีกต้องเยอะแยะซึ่งอาจจะซึ่งดีๆทั้งนั้นแต่พราะว่าฉันเป็นมะเร็งเนี่ยคือมะเร็งเป็นคือมะเร็งคือฉันฉันคือมะเร็งมะเร็งเป็นทั้งหมดของฉันนะมองไม่เห็นอย่างอื่นแล้วว่าฉันเป็นอะไรนอกฉันเป็นมะเร็งแล้วก็มะเร็งมันก็เลยครอบงําจิตครอบงําใจของเรา เมื่อคนที่บอกว่าฉันเป็นคนล้มละลายนะเพราะว่าฉันเป็นคนล้มลายนี่มันก็แสดงว่าฉันไม่เป็นอื่นแล้วทั้งนั้นที่ฉันยังเป็นอย่างอื่นอีกหลายอีกหลายอย่างฉันเป็นพ่อฉันเป็นแม่ฉันเป็นคนขยันหมั่นเพียรฉันเป็นคนมีความสามารถคนเราเป็นอะไรอต้องหลายอย่างแต่พอบอกว่าฉันเป็นมล็งเขานี่หรือว่าฉันเป็นคนล้มละลายนี่ ไอ้ความเป็นคนล้มละลายก็กลายเป็นสิ่งที่มาครองจิตครองใจฉันครองชีวิตจิตใจฉันฉันไม่ไม่เป็นอะไรแล้วฉันมีปัญหาล้มละลายอันนี้ถูกแต่ไม่ใช่ฉันเป็นคนล้มละลายฉันมีปัญหาล้มละลายแต่ฉันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ดีๆนะต้องแยกให้ออกนะระหว่างนะฉันมีทุก กับฉันเป็นทุกข์นะอันนี้คือการมองความเป็นจริงหรือมองปัจจุบันตามความเป็นจริงอย่าให้ทุกข์มันครองจิตครองใจจนกระทั่งเราละเลยหรือมองไม่เห็นสิ่งอื่นๆที่เรามีหรือเราเป็นอยู่ แต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าเออความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตเรามันก็จะเปิดหูเปิดตาให้เราเห็นสิ่งอื่นๆที่เรามีซึ่งก็มีดีอีกเยอะมีผู้หญิงคนหนึ่งแกเป็นโรคทรัสซิเมียหรือจะบอกว่ามี มีโรคทาร์ซิเมียก็ได้ตั้งแต่เกิดทาร์ซิเมียนี่เป็นโรคเลือดนะแล้วก็คนนี้เขาอาการเขานี่มั น, มนแรงหมอก็บอกว่าเนี่ยอย่างเขานี่อายุไม่เกินยี่สิบนะก็คงเสียชีวิตแต่ว่าตอนนี้ก็อายุยี่7หกย็ดหรือย8บแแล้วแต่ร่างกายแคลกแก่นเหมือนเด็กเลย ตาโปนอ่อนแอรกระดูกอ่อนขาหักเป็นประจำเข้าเฝืองมาแล้วส4ครั้งนะเขาน่าจะเป็นคนที่มีความทุกข์มากแต่ว่าเขาพูดอย่างนี้ว่าถึงเป็นทลัสซีเมียแต่ว่าฉันก็ยังมีตาเห็นสิ่งสวยงามยังมีจมูกเอาไว้ ดมกลิ่นดอกไม้หอมยังมีปากเอาไว้กินของอร่อยอร่อยได้แล้วก็ยังมีร่างกายทำอะไรได้ตั้งเยอะแย ะ, ะแสดงว่าเขาเห็นตัวเองตามที่เป็นจริงเขาไม่เพียงแต่ยอมรับว่าเขามีรารัลซิเมียอยู่ในตัวแต่เขาสามารถที่จะเห็นอย่างอื่นได้อีกว่าเขาก็มีสิ่งดีๆและพอเขาเห็นตัวเองตามที่เป็นจริง เขาก็เลยสามารถที่จะสัมผัสรับรู้ถึงความสุขรอบตัวได้แต่คนจํานวนมากเนี่ยก็ไม่สามารถจะเห็นความทุกข์ของตัวเองตามที่เป็นจริงได้ก็มองความทุกข์ให้มันใหญ่โตจนกระทั่งมันกลายเป็นทั้งหมดของตัวเขาครอบครอบจิตครอบใจจนกระทั่ง ไม่สามารถที่จะเห็นของสวยงามไม่สามารถที่จะดมกลิ่นหอมไม่สามารถที่จะกินของอร่อยได้เพราะจมอยู่กับความทุกข์นะไปเอาแต่หมกมุ่นว่าฉันเป็นมะเร็งฉันเป็นคนล่มละลายฉันเป็นคนแย่เนะนี่ยถารามองเห็นความจริงนะ เมื่อมองปัจจุบันตามความเป็นจริงเราก็จะเห็นได้ว่าให้ความทุกข์หรือว่าปัญหาที่เกิดกับขึ้นกับเรานะมันก็แค่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นแค่ส่วนเสี้ยวเดียวของชีวิตเรายังมีสิ่งดีๆอีกมากมายที่เป็นความจริงเหมือนกันเป็นปัจจุบันเหมือนกันนะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้เราเนี่ยไม่ไปตีอกชกหัวตัวเองหรือว่ากลด่าชตากรรมนะเราก็สามารถจะ มีกำลังที่จะหรือมีพลังในการที่จะดําเนินชีวิตได้นะถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีคนเรามีสิ่งดีๆอีกเยอะแต่เราไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีเพราะเราไปจมอยู่กับความทุกข์นะ การอยู่กับปัจจุบันก็มีความหมายอีกแง่นี้ด้วยก็คือว่าการที่เราสามารถที่จ ะ, ะชื่นชมแล้วก็พอใจในสิ่งที่เรามีอย่างที่บอกไว้เมื่อวานว่าเราไม่ยอมรับปัจจุบันส่วนหนึ่งก็เพราะเราไปเทียบเคียงกับอดีตที่เราเคยมีเยอะคนที่มีหนี้ศินนะ สิล้าน20ล้านทุกนะเพราะว่าไปเปรียบเชียบ ว, วัตรกรนี่ไม่มีหนี้สินนะมีรถคันใหญ่ๆมีบ้านหลังใหญ่ๆแต่ตอนนี้บ้านก็ไม่มีรถก็คันเล็กลงแถมมีหนี้สินอีกมันก็ยอมรับความจริงไม่ได้แล้วก็ทําให้ไม่สามารถจะเห็นสิ่งดีๆที่ตัวเองมีอยู่ว่าถึงแม้จะมีหนี้สินเยอะแต่ว่าก็ยังมีลูกที่น่ารัก มีภรรยาหรือคู่ครองที่ดีมีสุขภาพที่ทำอะไรได้สะดวกเดินเถินไปไหนได้นะไอสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่มีค่าทั้งนั้นแต่เราไม่สามารถจะเห็นมันได้เพราะเราจมอยู่กับความทุกข์เราก็เลยไม่รู้สึกชื่นชมสิ่งที่เรามีหรือว่าเร า, เ, ราเวลาเราได้ของ ของสิ่งใดมาเนี่ยอย่างเช่นได้รับแจกมาเราก็ได้รับแจกมาแล้วก็พอใจได้รับแจกเอ็มามายกตัวอย่างเมื่อวานได้รับแจกเครื่อง MP3 มาแล้วก็ดีใจนะแต่พอเห็นเพื่อนเขาได้ทั้ง MP3 มพีเขาได้ทั้งกล้องดิจิตอลโอ้เราไอ้สิ่งที่เรามีกลายเป็นไม่น่าพอใจไปแล้ว ตอนั้นที่ได้ฟรีนะได้โชคได้ล่าบมันก็ไม่พอใจแล้วเพราะเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขามีมากกว่าที่จริงไม่ต้องเปรียบไปขึงขนาดของแพงๆก็ได้แค่ได้แจกหนังสือเงี้ยได้รับแจกหนังสือได้รับแจกซีดีเนี่ยเราได้รับจากคนละเล่มได้รับแจกซีดีคนละแผ่นเราก็ดีใจแต่พอเห็นเพื่อนเขาได้สองแผ่นได้สองเล่มเราเสียความรู้สึกเลย เราไม่พอใจแล้วในสิ่งที่เราได้มาอันนี้เราไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วนะอยู่กับปัจจุบันคือเราไม่ไปเทียบเคียงกับใครเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะพอใจในสิ่งที่เรามีเราก็จะยินดีสิ่งที่เราได้นะถ้าอยู่กับปัจจุบันเป็นเนี่ยมันจะพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้นะซื้อไปต่อของถูกมา เราก็มีเราก็ยินดีในของนั้นจะไม่ไปเทียบกับคนอื่นว่าเขาต่อได้ถูกกว่าเรานะเราซื้อมาได้ห้าสิบเขาซื้อมาได้ยี่สิบห้าก็ช่างเขา เ, ออเราก็มีความเราก็พอใจในของชิ้นนั้นแต่เปล่านะพอไปเปรียบเทียบกับเขาแล้วเราก็เลยไม่มีความสุขนะเราอิจฉาเขาหรือเราสึกว่าเรานี่โง่เราน่าจะต่อให้มากกว่านี้นะว่าตัวเองตำหนิตัวเอง แล้วก็เลยพล อ, อยไม่รู้สึกชอบของชิ้นนั้นเห็นชิน้นของชิ้นนั้นแล้วมันรู้สึกเจ็บไปที่หัวใจเพราะมันมันเหมือนก็จะบอกว่ า, าเธอโง่ที่ไม่ต่อให้มากกว่า น, นี้เนี่ยคิดอย่างนี้ไปอันนี้เราไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะไปเทียบเคียงคนอื่นและเราก็เลยไม่พอใจสิ่งที่มีไม่ยินดีสิ่งที่ได้บางคนก็มีรูปร่างหน้าตาสะสวยวัยรุ่นจํานวนมากก็ ทั้งท้งที่รูปร่างหน้าตาดีก็ทุกข์เพราะอะไรพระไปเปรียบเทียบคนอื่นไปเปรียบเทียบกับดาราไปเปรียบเทียบกับนางแบบนะเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นนางงามจากกาักรวาลก็ยังมีความทุกข์เพราะไปเปรียบเทียบกับนางงามจักรวาลรุ่นก่อนว่าเขาสวยกว่าเขาเด่นดังกว่านี้เรียกว่าไม่ว่ามีเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ถ้าอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นก็จะมีความทุกข์แต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันเป็นแม้จะพิการ แม้จะเจ็บจะป่บบวยอย่างคนที่ชื่อกนกวรรณที่พูดเมื่อกี้นี้หรือบางคนไม่มีแขนไม่มีขาเลยมีแต่หัวมีชายญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่ออโมตะเกะเนี่ยเขียนหนังสือเรื่องไม่ครบห้าคือมีแต่หัวแขนสองขาสองไม่มีจะไปไหนมาไหนก็ต้องนั่งรถรถเลือนรถไฟฟ้าแต่แกเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งยิ้มแย้มแจ่มใส เหมือนกับอาจารย์กำพลเลยคือเห็นหน้าทีไรก็ ย, ยิ้มนละังจากก็บอกว่าผมเกิดมาพิการแต่ผมมีความสุขและสนุกทุกวันขณะพิการนี่ก็ยังเล่นบาสเกตบอลเป็นตั้งแต่เล็กไม่รู้เล่นยังไงนะก็ใส่เสื้อผ้าเป็นกิงข้าวเป็นพ่อพ่อแม่สอนมาดีไม่ให้สมเพศตัวเองเขาสูสว่าเขาไม่จะเป็นคนพิการแล้วเขาก็พอใจนะฉันมีแค่มีแค่หัวหนึ่งหัวก็พอใจ ไม่ไปไม่ไปมวเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขามีหัวหัวหนึ่งแขนสองขาสองนะแล้วเขาก็มีชื่อเหมือนคนปกตินะเป็นนักข่าวแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นครูโรงเรียนมัธยมนะพอเขาพอเขาพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ก็มีความสุขนะ น, นี่เรียกว่าเป็นอีกแง่หนึ่งของการอยู่กับปัจจุบันนะ เพราะว่าในปัจจุบันคนเราก็มีสิ่งดีๆอีกเยอะมันไม่ได้มีสิ่งที่แย่มันไม่ได้มีความพร่องอย่างเดียวนะถ้าเราอยู่ปัจจุบันเป็นเราก็พร้อมจะเปิดรับความสุขได้ทุกขณะนะอย่างที่ยกตัวอย่างนะคนขี่รถสารล้อนะของกฐินประมวลนะแม้จะยากจนแม้จะ มีปัญหาว่าจะเอาเงินที่ไหนไปซื้ออาหารให้ลูกกินคืนนี้แม้จะขับรถเหนื่อยนะแต่ว่าพอลมพัดมาเย็นๆประทบกระทบตัวจิตมันก็พร้อมจะเปิดรับความสุขอ้าแขนรับนะลมเย็นๆขอบคุณพระเจ้านะนี่เรียกว่าเป็นจิตที่ไวต่อความสุขหรือพร้อมจะเปิดรับความสุขพะอยู่กับปัจจุบันไง ถ้าไปอยู่กับอดีตไปจมคิดว่าจะหาเงินมาให้ลูกยังไงดีเดือนหน้าจะหาข้าวเราเรียนมาให้ลูกจากไหนถ้าคิดแบบนี้ลมเย็นๆมาพัดนี่ก็ไม่รู้สึกมีความสุขหรอกเพราะใจมันปิดกั้นแล้วใจมันไม่อยู่กับปัจจุบั น, ใ, นใจไปอยู่ไปจมอยู่กับความทุกข์ในอดีตหรืออนาคตนั้นถ้าเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราก็จะ สามารถจะมีสุขนะได้ทุกเวลาได้ทุกขณะเพราะจริงๆความสุขก็มีอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วนะความสุขมีอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วแต่เราจะเห็นหรือไม่แค่นั้นเองอะไรที่ทําให้เราไม่เห็นความสุขที่มีอยู่รอบตัวก็เพราะใจที่ไปจมอยู่กับอดีตใจที่ไปกังนวลกับอนาคตใจที่ไปหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์ไปคิดว่าฉันเป็นมะเร็งฉันเป็นคนล้มเหลว ฉันเป็นคนล้มละลายใจประจมอยู่อย่างนี้มันจะเห็นความสุขที่อยู่มีอยู่รอบตัวได้ไงมีตาก็เหมือนไม่มีมีจมูกก็เหมือนไม่มีมีปากก็เหมือนไม่มีเพราะว่าใจมันจมอยู่แต่ความทุกขนะ์แต่ถ้าเกิดว่าอยู่กับปัจจุบันเป็นนะก็สามารถจะเห็นความสุขหรือได้รับความสุขทุกเวลาความสุขง่ายๆ แค่ดมกลิ่นดอกไม้อ้อมหอมนี่ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่ง น, นี้คือแง่หนึ่งของของการอยู่กับปัจจุบันนะซึ่งมันก็ก่อให้เกิดอา น, นิสงส์ที่ดีๆนะปัจจุบันคือสิ่งที่เรามีเราก็เห็นมันแล้วชื่นชมปัจจุบันหมายถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้ด้วยอยู่กับปัจจุบันคืออยู่กับสิ่งที่เราทำ ในขณะนี้เรากาลังฟังอยู่ฟังคําบรรยายเราก็ใจอยู่กับการฟังคําบรรยายนะใจเราไม่ไปทําอย่างอื่นใจเราไม่ไปคิดนะวางแผนว่าอาทิตย์หน้าจะทําอะไรใจเราไม่ไปประมวลใบมัวกังวลนะกับงานที่ยังค้างค้างอยูนะ่ใจเราไม่ไปจดจอ่อ อยู่กับเสียงที่มารบกวนข้างล่างนะหรือไม่ไปไปจดจ่ออยู่เสียงไก่ขันนะเราอยู่กับปัจจุบันคืออยู่กับการฟังอันนี้เลยว่าอยู่กับปัจจุบันเหมือนกันนะพูดง่ายคือว่าตัวอยู่ไหนนะใจก็อยู่นั่นเราล้างจานเรารีดผ้าเราทำครัวนะเราหั่นผัก นะนี่คือสิ่งที่กาลังทำอยู่ในปัจจุบันใจก็อยู่กับสิ่งนั้นนะใจไม่ออกไปนอกตัวนะใจไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตนะอยู่กับงานที่ทำหรือไม่ทำอย่างอื่นแข่งกับแข่งกับงานที่กำลังทำอยู่เช่นตัวกาลังหั่นผักล้างจานนะแต่ว่าใจไปทำอย่างอื่นละ หรือบางทีก็ทำหลายอย่างพร้อมกันอันนี้ก็ไม่อยู่กับปัจจุบันนะกำลังกินข้าวอยู่แต่ตาก็มองไปที่โทรทัศนะ์นะหรือไม่ก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยนะมันวุ่นวายไปหมดนะการที่เราฝึกการที่เราทำทีละอย่างทีละอย่างนะกายทำอะไรก็ให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นอยู่อย่าง อ, อยู่อย่างเป็นปัจจุบันคืออยู่อย่างรู้สึกตัวนะรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่นั่นแหละนะก็คือการอยู่กับปัจจุบันนะแล้วปัจจุบันที่สำคัญนะที่มันทำได้ยากนะแต่ว่าสำคัญมากนะเมื่อกี้บอกไว้แล้วปัจจุบันนี่หมายถึงสิ่งที่เรามีหมายถึงสิ่งที่เราทำ ปัจจุบันยงมาถึงกายและใจและรูปและนามนะที่เป็นอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันคือการรู้ระลึกรู้อยู่ในกายรละลึกรู้อยู่ในใจหรือพูดง่ายคือไม่ลืมกายไม่ลืมใจเพราะกายและใจนี่คือปัจจุบันจริงๆนะมันไม่มีอะไรที่เป็นปัจจุบันเท่ากายและใจอยู่แล้วแม้แต่ของนอกตัว ทราบสมบัติก็ยังไม่ใช่ปัจจุบันชัดๆเท่ากับกายและใจถูกกับปัจจุบันคือราลึกล้ในกายในใจนะไม่ลืมกายไม่ลืมใจตรงนี้คือสิ่งที่ทําได้ยากกว่าอย่างอื่นการที่เราพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ไดอ้อันนี้มันก็เป็นปัจจุบันเหมือนกันแต่เป็นปัจจุบันหมายถึงสิ่งที่เรามี อาจจะเป็นทรัพย์สมบัติอาจจะเป็นสิ่งของนะไอสิ่งที่เราทำก็เป็นปัจจุบันแต่ว่าถ้าทำบางอย่างมันลืมกายลืมใจนะาการทำบางอย่างแม้แต่การฟังเนี่ยเราฟังไปฟังฟอฟั ง, ฟ ง, ฟงไปไปเนี่ยบางทีลืมกายแล้วว่ากำลังนั่งอยู่นะแล้วบางทีก็อาจจะคิดนึกถึงสิ่งที่ได้ยินมาเมื่อกี้ติดประโยคหนึ่งก็ ไม่เข้าใจก็คุ้นคิดอยู่กับประโยคนั้นว่าหมายความว่าอะไรอันนี้ก็เรียกว่าลืมใจไปแล้วเพราะว่าใจมันหลุดเข้าไปในความคิดแล้วนะไม่รู้ใจนะเราต้องรู้กายรู้ใจลงในปัจจุบันนะรู้กายคือรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ใช่คิดเอาหรือไม่ใช่บอกกับตัวเองว่ากาลังทาอะไรอยู่แต่มันรู้สึกจริงๆว่ากำลังทำอะไรอยู่ รู้สึกว่ากําลังนั่งอยู่โดยที่ไม่ต้องบอกตัวเองว่าฉันกําลังนั่งอยู่กับพิบตาก็รู้ว่ากับพิบตานะไม่ต้องไปคอยจ้องว่ามเมื่อไหร่จะกับพิบตาเวลาใจเผลอคิดไปนะใจไปอยู่ในใจไปอยู่ในความคิดหรือถลำตกเข้าไปในอารมณ์ก็รู้นะแล้วรู้แล้วมันก็พาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้หรือไม่ลืมกายไม่ลืมใจ นะเมื่อไม่ลืมกายไม่ลืมใจใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะความรู้สึกตัวนี้เป็นเครื่องหมายแสดงถึงการที่เราอยู่กับปัจจุบันถ้าไม่รู้สึกตัวเนี่ยนะก็เพราะอะไรก็เพราะมันไปอยู่กับอดีตก็เพราะอยู่กับอนาคตนะเพราะว่าไปไปมองคนอื่น หรือว่าไปหลงถลํมอยู่ในความคิดไปถลํมอยู่ในอารมณ์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ปัจจุบันแต่เมื่อเราก็ตามที่ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเครื่องชี้เครื่องแสดงว่าอยู่กับปัจจุบันหรืออยู่กับปัจจุบันเป็น ตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะเพราะว่ามันเป็นการอยู่กับปัจจุบันที่ที่ที่ละเอียดอ่อนมากนะมันต้องอาศัยการเจริญสตะนะิเวลาพูดถึงสติเนี่ยนะที่จริงเราก็มีกันทุกคนนะเพราะว่าสติคือความระลึกได้นะความระลึกได้ เราลึกได้ว่าเดี๋ยวตอนเช้านี้เราจ ะ, ะกินข้าวกี่โมงเราลึกได้ว่าเมื่อเสร็จอบรมแล้วนี่เราจะไปไหนต่อเราลึกได้ว่าตอนบ่ายนี้เรามีนัดอะไรบ้างหรือเราลึกได้ว่าเราวางล่มไว้ที่ไหนนะเวลาทำงานแล้วทางานเพลินสักพักก็เราลึกขึ้นมาได้ว่านัดเพื่อนเอาไว้หรือต้มน้ำเอาไว้ที่ครัว จะขับรถหากุญแจไม่เจอเสร็จแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าออกไปวางไว้ข้างเตียงหรือไปวางไว้ในห้องครัวอันนี้ระลึกได้ทั้งนั้นนี่คือสติแต่ว่าเป็นสติหรือความระลึกได้ในเรื่องนอกตัวสิ่งที่เราต้องต้องมีและมักจะขาดกา็คือว่าระลึกได้ ในเรื่องตัวเองก็คือเรื่องกายเรื่องใจนี่แหละเรื่องรูปเรื่องนามแลการที่มีสติก็จะทำให้เราไม่เผลอเข้าไปในความคิดไม่เผลอเข้าไปในอารมณ์ถ้าเราเผลอเข้าไปในอารมณ์เมื่อไหร่เช่นเครียดโกรธมันจะหลงตามมาเลยนะ จะหลงตามมาหลงว่าฉันโกรธหลงว่าฉันเครียดนะฉันไม่ได้กโกรธฉันไม่ได้เครียดนะความเครียดไม่ใช่ตัวฉันความความโกรธไม่ใช่ตัวฉันถ้ามีสติจะเห็นแล้วออมีความเครียดอยู่ในใจไม่ใช่ฉันเครียดนะแต่จะเห็นเลยว่ามีความเครียดอยู่ในใจฉันเครียกก็ฉันมีความเครียดนี้ไม่เหมือนกัน ฉันเครียดคือความเครียดเป็นตัวฉันแต่ว่าฉันเห็นหรือฉันมีความเครียดเนี่ยความเครียดก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ตัวฉันนะมันก็อันเดียวกับที่บอกว่าฉันมีมะเร็งอยู่ในตัวหรือฉันเป็นมะเร็งนะมะเร็งนี่เป็นเป็นเรื่องของกายนะ มันไม่ใช่เป็นเรื่องของใจเลยแต่พอบอกว่าฉันเป็นมะเร็งเข้ามะเร็งนี่กลายเป็นเรื่องของใจด้วยมีมะเร็งในใจแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือทุกทั้งกายทุกทั้งใจแต่ถ้ามีสติรู้กายรู้ใจเนี่ยพอมีความเครียดมีความกลัวมีความเบือ่ออ่ามันก็เห็นก็เห็นว่านี่เป็นสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นกับกับใจ หรือเวลาเจ็บเวลาคันเพราะยุงกัดก็เห็นว่ามีก็มีความคันเกิดขึ้นแต่ความคันไม่ใช่ตัวฉันมันก็เป็นเรื่องของของกายนะถ้าเราไม่ลืมกายไม่ลืมใจมันจะเห็นนะมันจะไม่เข้าไปเป็นอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านได้พูดย้ำอยู่ ฉันเครียดกับฉันเห็นความเครียดนะมันต่างกันถ้าลืมกายถ้าลืมใจลืมใจเขา้าเข้าไปในความเครียดเข้าไปในความปวดก็กลายเป็นผู้ปวดทั้งที่มันแค่ปวดกายแต่ว่าพอเป็นผู้ปวดนี้ใจมันก็ปวดด้วยพอเข้าไปในความเครียดทั้งที่ความเครียดนี้มันเป็นเรื่องของใจแต่ไปคิดว่าฉันเนี่ยเครียดคือ ผู้นัคือมันปรุงขึ้นมาว่ามีฉันแต่ถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจเห็นกายเห็นใจมันก็จะเห็นไปเลยว่าอกกายนี่มันไม่ใช่ฉันใจนี่ก็ไม่ใช่ฉันกายนี่ไม่ใช่เราฉันไม่แล้วก็ใจนี่ก็ไม่ใช่เรามันจะเห็นมากขึ้นไปเรื่อยนะ เราจะเห็นไปถึงขั้นว่าไอ้ที่คิดว่าเป็นเรานะมันปรุงขึ้นมาลืมกายลืมใจเมื่อไหร่ไอ้ตัวเรานี่ก็เกิดขึ้นแล้วเรานี่ก็จะกลายเป็นเจ้าของความเครียดความโกรธความปวดความความความเจ็บขึ้นมาคราวนี้ก็เลยทุกใหญ่เลยนะเพราะนี่มันต้องเริ่มต้นจากการที่เราเราลึกรู้ หรือรู้กายรู้ใจนะในปัจจุบันไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะไม่ถลเขก็ไปในความคิดไม่ถลเข้าไปในอารมณ์นะแล้วก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจตามที่เป็นจริงก็จะไม่เอาความทุกข์ของกายมาเป็นความทุกข์ของฉัน ไม่เอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจมาเป็นความทุกข์ของฉันหรือปรุงตัวฉันขึ้นมาเป็นเจ้าของความทุกข์เหล่านั้นนะเพราะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คนเนี่ยหลงไปมากนะและทั้งหมดนี้ก็เริ่มต้นจากการที่ลืมนะลืมกายลืมใจและลืมตัวนะพอลืมก็เลยหลงเลยนะ และพอหลงก็ทำให้ลืมตัวมากขึ้นทีแรกมันลืมก่อนลืมสิ่งที่ทำลืมกายลืมใจก็เข้าไปในความคิดพอปรุงแต่งขึ้นความโกรธโกรธมากจากความโงดหงิกกลายเป็นความโกรธจากความโกรธก็โมโหก็หลุดปากด่าไปหลุดปากทำร้ายเข้าของอันนี้พราะหลงในความคิดมันก็เลยลืมตัว แต่ที่หลงก็ไปในความคิดมันก็เพราะมาลืมกายลืมใจตั้งแต่แรกแล้วเพราะลืมจึงหลงและเพราะหลงก็เลยลืมหนักเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถ้าเราสามารถจะอยู่กับปัจจุบันเป็นในทุกแง่มุมเนี่ยจนกระทั่งมาถึงจุดที่เรียกว่าโอ้ไม่ลืมกายไม่ลืมใจเนี่ยก็จะทำให้นะเรา สามารถอยู่กับปัจจุบันได้ยังมีความสุขโดยที่ไม่ติดในความสุขนั้นด้วยเพราะว่าไอ้พอติดในความสุขเมื่อไหร่ก็มันก็ลืมแล้วก็หลงได้เหมือนกันนะมีลมเย็นๆพัดมาเกิดสุขเวทนาขึ้นก็ซึมดื่มดำในความสุขนั้น อ, อันนี้ก็เรียกว่าลืมใจแล้วนะมันหลุดเข้าไปในสุขเวทนา ก็จัดว่าเป็นความหลงอย่างหนึ่งนะเพราะว่าทำให้หลุดจากปัจจุบันไปกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้แล้วไม่รู้เรื่องแล้วแม้จะเป็นชั่วขณะก็ตามที่หลุดเข้าไปในอารมณ์นั้นแต่มันก็เป็นความหลงอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหร่ก็กลับมาเห็นความสุขเห็นสุขคเวทนาแต่ไม่ใช่เป็นผู้สุขนะฉันมีความสุขแต่ฉันไม่ใช่เป็นผู้สุขเป็นสุขนี่มันก็หลงกันนะเหมือนกับเป็นทุกข์อะ ก็เพียงแต่ว่าเห็นว่ามีทุกข์เห็นว่ามีสุขเกิดขึ้นกับกายเกิดขึ้นกับใจถ้าเราอยู่กับปัจจุบันในในในในมิตินี้ได้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นซึ่งก็จะทำให้เราเห็นความจริงหรือเห็นปัจจุบันตามความเป็นจริงเห็นปัจจุบันตามความเป็นจริงจนเห็นจนเห็นถึงขั้นว่า ไอ้เรานี่ก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาความสำคัญมั่นหมายเป็นเราเนี่ยมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเราสุขเราทุกข์นี่ก็มันมันปรุงขึ้นมานะเพราะว่าสุขมันก็ที่จริงก็ไม่ใช่เป็นเรานะแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับกายเกิดขึ้นกับใจก็แล้วแต่แต่มันไม่ใช่เรานะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องอมองให้เหน็นเป็นลำดับไปนะแต่ก่อนอื่นก็ต้องก็ต้องให้รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกให้ได้การที่เราจะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกจนกระทั่งไม่ไม่หลงหรือไม่ลืมเนี่ยมันก็ต้องมั่นเห็น บ, บ่อยเห็น บ, บ่อยเห็น บ, บ่อย เห็นแบบยอมรับมันได้อย่างที่พูดเมื่อวานคือยอมรับในอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์อะไรก็ตามจะดีก็ตามจะไม่ดีก็ตามเราก็ยอมรับมันเต่โจนยเราก็ยอมรับในสิ่งที่ดีแต่สิ่งไม่ดีเราก็ไม่ยอมรับเช่นความโกรธแต่เราถ้าเราวางใจเป็นกลางคือเห็นอย่างเป็นกลางหรือที่หลวงพ่อเทียนว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆ เมื่อเห็นบ่อยๆไม่บางก็จะจำได้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ก่อนไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าถูกมันลากจูงไปนะมันเกิดขึ้นทีไรมันฉุดมันลากใจเข้าไปในอารมณ์นั้นทุกทีเหมือนกับเหมือนกับคนที่มาคอยล่อมาคอยลวงว่ามาทางนี้สิมาทางนี้สิแล้วก็จูงมือเราไป แล้วก็พอไปในที่หมุมอับก็ปล้นทรัพย์นะควักเงินจากเราไปพอเราออกมาเดี๋ยวมันมาอีแล้วแล้วก็มาลากมาจูงมาชักชวนไปพอเข้าไปในมุมอับก็ปล้นทรัพย์เราทำอย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าทำไมเราถึงยอมให้ทำก็เพราะเราจาไม่ได้ว่าไอ้นี่ผู้ลายอ้นี่ขโมยความจาเรามันสั้น หรือไม่มีความจำเลยมันมีคนแบบนี้นะคือความจำสั้นเจอทีไรต้องเจอทีไรก็ลืมยังมีคนนึงความจำสั้นไปหาหมอหมอต้องแนะนำทุกครั้งว่าเขาเชื่ออะไรพอหมอเข้าไปห้องน้ำห้านาทีกลับมาคนไข้จำไม่ได้แล้วก็ต้องแนะนำว่าเขาเชื่ออะไรหมอต้องแนะนำว่าเชื่ออะไรทุกครั้งไปอล้พวกหลานี่ก็พกคาความจาสั้นนะโดนอารมณ์มันลอกมันล่ามันห ล, กน ล, กนลอกไปเหมือนกับ โจรที่มันมิจฉาชีพที่มันลากมาจูงชักชวนจูงมือเราไปแล้วก็ป้นซับพอเจอใหม่เราก็จำไม่ได้ว่านี่คือโจรก็เอาไปแต่ต่อมาพอเราเจอบ่อยๆเจอบ่อยเราเริ่มจำได้แล้วเราเริ่มจำได้เราเริ่มรู้แล้วเออนี่นี่พูดลายนะคราวนี้จะมาชักจูงเราจะมาจูงมือเราไปเราไม่ไปแล้ว ใหม่ๆก็จูงไปจูงไปกลางทางแล้วเราก็นึกขึ้นมาได้ว่านี่โจรล้วก็สะบัดหลุดสะบัดมือหลุดออกมาแต่ตอนหลังนี่เพียงแค่จะจูงมือเราเราก็ไม่ไปแล้วมีสติก็คือมีอย่างงั้นแหละคือการระลึกได้เห็นความโกรธเกิดขึ้นความเบื่อเกิดขึ้นความเครียดเกิดขึ้นแต่ก่อนไม่รู้ก็เลยหลงเข้าไปถลําเข้าไปแต่ตอนนี้รู้ละจําได้แล้วนะมันก็ไม่เข้าไปก็วางระยะ เหมือนกับเราเริ่มวางระยะกับผู้ลายนั้นเขาจะมาชักจูงเราไปเราไม่ไปเรายืนอยู่ยห่างๆเขาจะม า, ใายใกล้เราก็ยืนอยู่ห่างๆจะมาจูงเราไปไหนเราไม่ไปแล้วอันนี้เรียกว่าจําได้การมีสติการที่เรารู้เห็นอารมณ์บ่อยๆมันก็ทําให้เราจําได้พอจําได้แล้วคราวนี้มันเกิดขึ้นเราก็ไม่ถลําเราก็แค่มองอยู่ห่างๆเห็นนะ แต่ไม่ไม่หลงไม่หลงเข้าไปในอารมณ์นั้นนะก็ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันเด้งจริงๆคือว่าเราไม่ทิ้งกายไม่ทิ้งใจนะไม่ลืมกายไม่ลืมใจเพราะกายและใจคือปัจจุบันจริงๆนะที่เหลือความคิดอารมณ์ต่างมันเป็นของปรุงของหลอกนะไม่ใช่เป็นของจริงแล้วมันจะเป็นปัจจุบันได้อย่างไรนะ อันนี้แหละเพราะนั้นเนี่ยเราต้องต้องต้องอต้องไม่รังเกียจนะไม่ผลักไสนะเวลาเกิดอารมณ์ความคิดต่างๆเกิดขึ้นคือเราไม่ปฏิเสธเราถือว่าสิ่งเหล่านี้มาเป็นครูสอนเราให้เราจำได้แม่นยำให้เรารู้เท่าทันเขาได้ไหวขึ้นเหมือนกับภูมิคุ้มกันในร่างกายที่พอเจอเชื้อเข้ามาแค่ครั้งเดียวก็จำได้คราวนี้พอมาอีก จะเป็นเชื่อว่าจะเป็นอะฮิวามันทำอะไรไม่ได้แล้วนะแต่ภูมิคุ้งกังร่างการเรานี่มันไวนะเจอถ้าได้เจอเชื่อโลกแค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปถ้ามาอีกมันจำได้ละแต่ใจของเรานี่กว่าจะจำอารมณ์ได้จนกระทั่งไม่ไม่ถล้ำก็ไปในอารมณ์นั้นโอ้ยต้องเจอหลายครั้งเจอครั้งแล้วครั้งเล่าเจอเป็นสิบเจอเป็นยี่สิบเจอเป็นร้อยถึงจะจาได้ แต่ว่ามันก็ต้องก็ต้องก็ต้องยอมนะเพราะนั้นจะไปรังเกียจจะไปปฏิเสธผักใสไออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะไปเลือกที่ละเมอที่ชางว่าเอออย่างนี้ดีฉันเอาอย่างงี้ไม่ดีฉันไม่เอานะทุกอย่างเป็นครูที่สอนเราได้ทั้งนั้นไม่ว่าบวกหรือลบนะความยินดียินร้ายก็สอนเราได้ แต่ก่อนก็เผลอก็ไปยินร้ายก็ไม่เป็นไรนะก็รู้รู้แล้วก็ทำใหม่เดีย๋ยวไปยินร้ายมาอีกอก็รู้นะต่อไปพอยินร้ายมนก็รู้แล้วยินดีก็เหมือนกันอันนี้เรียกว่าระ ล, ลึกรู้ในกายและใจนะไม่ลืมกายไม่ลืมใจโดยเพราะตัวใจเนี่ยจะลืมได้ง่ายมากแต่ถ้าลืมใจแล้วมันก็ลืมกายนะเช่นพอถลัมก็ไปในอารมณ์ก็ถลัมก็ไปในความคิดเนี่ย ก็ลืมไปแล้วว่ากํลาลังทําอะไรอยู่กินข้าวก็ไม่รู้ว่ากินข้าวพอใจมันไปอยู่กับความคิดปรุงแต่งเดินก็ไม่รู้ว่าเดินเพราะใจกำลงังกังวลถึงงานการนะอันนี้ก็นะเพราะฉะนั้นก็ให้เราเข้าใจนะไอ้เรื่องการอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันให้เป็นนะมันมีทั้งทั้งระดับที่ยากไปจนถึงระดับที่ละเอียดทั้งระดับที่ง่ายจนถึงระดับที่ยากนะแต่ก็ไม่เกินนะความสามารถของเรา อ่าเราก็พูดกันเท่านี้กลับมาพร้อมกัน